นาโมตัสสะภะคะวัตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวตตอะระหัตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวัโตอะระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาสารสารมติโนสารจะ สารทัตปิโนเตสารังนาธิขัตฉันติมิชาสังคัปปโคโจราสารัญจสาราตโตยัตถวะอาสารัญจาราสารโตเตสารังอาธิขัดชันติสัมมาสังคัปปโคโจราทิ่นะัโอกาสบป น, นี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาะในเรื่อง แกนแท้ของพระศาสนาให้ท่านสาธุชนได้สะดับรับฟังสึกต่อไปท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันอาทิตย์ท่านพิมีกุศลกิจเป็นบนุญต่างก็มุ่งหน้าไปสู่วัดวาอรามในสถานที่ที่มีการเทศเจ่นโบทพระแก้วหรือวัดมหาธาตุเทศประจำในวันอาทิตย์แม้ทางกรมประชาสัมพันธ์ก็มี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 พร้อมกันเพราะคนมากในโบสถ์ก็เต็มเราเรียงโบสถ์ก็เต็มโรงเรียนกอเต็มธรรมิจัยก็เต็มแต่อาจจัดเกียติกันต้องขยายไปยังเก่นอกจากนั้นตอนบ่ายโมงก็มีเทศบ่าย2องโมงก็มีเทศปุดเช้าวิสัชนาบ่ายสามโมงก็นั่งกรรมฐานบ่ายสี่โมงก็มีเทศทั้งคืนก็ยังมีอีกวัดมาที่วัดมาท่าในโบสถ์ ส่นในวิหารบ่ายโมงก็เดินโยงกรมนั่งกรรมฐ า, านกันที่โรงเรียนสร้างใหม่ทันประคูประดพนมสอนประจําในวิหารพระเมืองคําสอนประจําก็เดินโยงกรมตั้งแต่บ่ายโมงไปอีกถ้ามีใจก็มีเพลอีกสอนนิกเลือกฟังได้ตามอัธยาศัย น, นี่เรียกว่าผู้สนใจธรรมะก็ไปหาธรรมะเมื่อไม่ไปปฏิบัติก็มีโอกาสทําได้แต่โดยมากหายาก พระที่บ้านมันมีปัญหาหลายประการาไหนจะลูกไหนจะล้านไหนจะบ้าน่องเ่อนชานโฮตัวเองเห็นสิ่งไหนรบกรล ง, ลงังก็ต้องคิดจะแก้ไขปรับปรุงต่างๆนานาจึงหาโอกาสได้ยากต้องปลีกตัวไปสู่วัดป่ารามนันเลยดีแต่ถ้าไปไม่ได้ก็อธิบานก่อน <c oughs> แม้ฟังทางวิทยุเส่นเทศบุตรชาวิสนากด็ดีแต่วันนี้จะเทศเดี่ยวเทศเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนา ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปัญหาก็มียภวะแก่นแท้ของปราสนานั่นคืออะไรเอาอะไรมาเป็นแก่นแท้ในที่นี้ถ้าว่าโดยย่อๆแก่นแท้ของปราสนานก็คือวิมุตติความหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองอืมเวืจะเอานิพพานก็ถูกต้องในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงถึงแก่นไวม้มากดังนั้นเพื่อหาติโยมได้ความรู้กว่าจะเอา แก่นแท่เอาแก่นธรรมดาจนถึงแก่นแท่เป็นขั้นเป็นขั้นไปมาที่บายให้ฟังตามพระพุทธภาสิทีิได้ยกขึ้นวนี้ปรากฏถึงเรื่องสองสหายคือโมคลาสารีผทเมื่อครั้งเป็นโกริตะมานพและอุปติสมานพทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันถ้าไปเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์สนชัย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 ก็ติดตามไปจนก็ได้ฟังธรรมะเนื้อฟังธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมคือสําเร็จเป็นพระโสดาบันก็รีบกลับไปบอกโกริตตะผู้เป็นเพื่อนพอนั้นก็ได้สําเร็จแล้วพอกันไปหาอาจารย์สมชัยกาบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์เดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วพวกเระผมก็จ้องไปหาพระพุทธเจ้าขอเชิญอาจารย์ไปด้วยอาจารย์บอกเออ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 ในส่วนเบื้องต้นสองก็พัท ธ, ธรรมเทศนาอันเป็นอุปนิสัยแต่สั ม, มาทิติอันนั้นหมายความเทศก็อยู่ในขอบเขตอย่างนี้ทีนี้แก่นแท้สิบอย่างเนี้ยทีท่านกล่าวว่าในทีนี้นะ่ะพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบหน้าสาม้อยสี่สิบหกรรทัดที่สิบสองเป็นต้นเพราะว่าผู้ที่มีความเห็นว่าอัตถิทินำ ทานที่ให้แล้วมีผลนี่ก็เป็นสัมมาทิฏฐิถ้าตรงกันข้ามเป็นมิจฉาทิฏฐิอัตถิยิทธังทานที่เขาของที่เขาบูชาแล้วมีผลอัตถิหุดตังของที่เขาบวงสรวงเส้นสวดที่เขาบวงสรวงหรือเส้นสวงแล้วมีผลอัตถิสุกตะทุกตะนงางพลนางกรรมไววิปากโกผลของกรรมหรือวิบากของกรรมที่ เป็นผลของกรรมดีกรรมชั่วเรียกว่าผลกรรมดีกรรมชั่วผลของการทำดีทำชั่วมีมีอยู่นี้ก็เป็นสมมาทิฏฐิเป็นความเห็นถูกเป็นแกน่นอัติอยังโลกโลกนี้มีนี่ก็เป็นแก่นอัติปโรโลกโลกน้ามีนี่ก็เป็นแ ก, นโลโล ก, กน่ น, ก น, กนอัติมาตาแม่มีอัติปิตาพ่อมีอัติสตาอุปปัติการสัตว์ทั้งหลายที่เกิดเป็นเทวดามี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 คนเราจะมีแก่นจะต้องมีคุณธรรมถึงห้าข้อเนึ่งมีศรัทธาคือความเชื่อควาเรื่อมใสในปรตันตนาใจเชื่อว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีบุญบาปมีทำดีได้ดูทำชั่วได้ชั่วเนี่ยเรียกว่ากรร ม, มสกุตาศรัทธาคือว่าทุกคนมีกรรมเป็นของตัวสองมีศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลห้าศีล8ปดศีลสิบสอง้อยเจ็ 10, สามมีสตะคือการสดับกับฟังธรรมะ ฟังประยัตปฏิบัติเวเวทเหมือ น, นเราฟังอยู่อย่างนี้สี่มีจาระเสียสละบริจาคสร้างบุญสร้างกุศลหาผลกําไรแห่งชีิตห้ามีปัญญารู้บารู้บุญรู้คุณรู้โทษรู้ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์รู้ทางเข็ดสายและทางต่ําดําเนินชีวิตไปในทางสูงจูงจิตใจของตนในส่งสูงขึ้นไปตามลําดับคนอย่างนี้จะเป็นชายก็ดางหญิงก็ตา่างท่านกล่าวว่าสาราทยีผู้ถือเอาแต่แก่น วาราทายีพูดถือเอาแต่สิ่งที่ประเสริฐตาธิโสเป็นคนหนักแน่นมั่นคงสัตบุริโสเป็นสัตบุรุษวิจักขโนเป็นคนมีปัญญาอาติยติสารมิเทวะโนถือเอาแต่แก่นเพื่อตัวเองแททีททนี่นี่ก็เป็นแก่นนั่นการทั้งหลายก็จะได้แก่นถึงหลายอย่างแล้วสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทบก็เป็นแก่นและก็ศรัทธาศินสุตตะจาขปัญญาเขาเป็นแก่น ถ้าคนมีแก่นอย่างนี้พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นผู้ถือเอาแต่แกน่นถือเอาแต่ของประเสริฐป็นคนคงที่เป็นคนหนักแน่นมั่นคงเป็นสัตว์ประรเป็นคนมีปัญญาเรียกว่ามาดีไปดีแท้และนอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่มยี่ยิบสองหน้าร้อยห้าสิบสองบรรทัดทิศเบพระองค์ก็แสดงไว้อีกว่าแก่นก็มีห้าศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติอยา่างนะอันนี้เอาวิมุตตนะินะในแกณฑแท้นะศีล สมาธิปัญญาหมายถึงผู้ที่เจริญสมวิปัจสนากรรมฐานมีปัญญาศีนสมาธิปัญญาหมายถึงสีนสมาธิปัญญาในมัคแปดอันต้นต้นนนหมายถึงศีนเนาะมัคแต่หมวดนี้หมายถึงศีนสมาธิปัญญาในมัคแปดเมื่อเจริญศีนสมาธิปัญญาในมัคแปดก็คือเจริญวิปัจสนาแล้วจึงจะเกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาคือวิปัจฉญานขึ้นมาจึงจะพบมีมุดิีมุดคือมัค โซดาปฏิมักสกิทาคาร์มีมักอนาคายมักคารหคตมักนี้แหละเป็นแก่นแท้ของศาสนาถึงแหละถึงแก่นแท้เรียกว่ามีมุมดวิมุมดติสาระเมื่อถึงวิมุมดแล้วก็วิมุมดติยานอันนี้หมายถึงผลวิมุติก็มีนิพพานเปนรอะลมกิเลสขาดตรงนี้ถึงวิมุติครั้งแรกกิเลสตายไปห้าถึงวิมุมดครั้งที่สองกิเลสตายไปไม่ตายอ่อนกําลังถึงวิมุติครั้งที่สามกิเลสตายไปสอง ถึงมีมุดครั้งที่สี่เจเลตายหมดไม่มีเหลือส่วนมีมดดุดติยานหมายถึงผลโสดาปฏิผลสกิธาคายผล อ, อนาคามิผลอรหัตผลนี่ก็แก่นแท้ของศาสนาใีนี้ในพัตรไตรกิจดกเล่มที่สิบเก้าหน้าสามร้อยห้าสาม้อยหแสดงว่ายอดคือแก่นยอดหมายถึงปัญญาบัญยินเสียงหมายถึงปัญญา เข็นในโพธิงเกตถือปัญญานั่นแหละสําคัญที่สุดเป็นแกตถ้าไม่มีปัญญากิ่งขาดไม่ได้ถึงมีมดไม่ได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ทรามหมายเอาปัญญาอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวะโกสาวกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่จะต้องมีปัญญามีหมายปัญญินทะยังในที่นี้หมายอันนี้นะนี่เพื่อจะให้ญาติโยมได้ทราบว่าคําว่าแก่นแก่นแท้ของภาษาศาสนาตั้งชื่อไว้อย่างนี้ แล้วกะเอาแก่นมาเป็นอย่างๆให้ฟังแก่นนี่มั น, ปนแปลว่าแข็งนะโยมแข็งแกรง่งทนทานทั้งทนทั้งทานทั้งมัน่นทั้งคงทั้งทา้าทั้งวอนท้าวรไม่เหลวไม่ไหลเนื้อแท้เป็นหลักเป็นฐานเป็นประธานถ้าเรียกว่าแก่นแล้วก็จะได้พบมาเป็นขั้นๆเมืองแรกได้ถึงสิบเรียกว่าสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิทธิ์ท่างกกล่าวว่าอยังสารโรนี้คือแก่น การแสดงธรรมะที่เป็นอุปนิสัยปัจจัยแก่โอ้สำมาติสี่สบนั้นนี้ก็เป็นแก่นในสองแก่นแล้วขั้นมาถึงปัจจัยปิดกเล่มที่22นี้มีห้าแก่นศรัทธาสาระแก่นคือศรัทธาสีลสาระแก่นคือศีลสุตตสาระแก่นคือการสดัตปรบฟังธรรมะจาคาสาระแก่นคือการเสียสละบริจาคทำบุญทำกุศล ปัญญาสาระแก่นคือปัญญารู้จักประโยชน์โลบนี้หลกหน้ารู้จักบาปุญคุณโทษและกละไรสิ่งที่เป็นโทษทำสิ่งที่เป็นคนนี่ก็เป็นแก่นถ้าผูา้ใดมีแก่นอย่างนี้ท่านเรียกว่าถือเอาแตก่แก่นถือเอาแต่ของดีๆเป็นนักปราศเป็นคนฉลาดเป็นสัตบรุรุษทีนี้มาถึงพระไตปดกเล่มที่ยีิบสองหน้า 2, ร้อยห้าสิบสองเาว่าถึงแก่นอีกอันนี้แก่นเลิกเข้าไปแล้ว ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณถึงห้าแก่นอันนี้ทันติวัตธรรมขันหมวดของธรรมะที่เป็นแก่นแท้ศีลสมาธิปัญญาเมื่อเราเจริญมรรคแปดตัวนี้หมายถึงมรรคแปดเลยนะศีลสมาธิปัญญาในมรรคแปดเมื่อเจริญศีลสมาธิปัญญาศีลก็ยึดรูปนามสมาธิก็ยึดรูปนามปัญญาก็ยึดรูปนามเป็นอารมณ์นี่เป็นศีลในมรรค เมื่อยึดรูปนามพิจารณาขันธ์หาเป็นอารมณ์ก็จะเกิดปัญญาขึ้นมาสามารถจะแยกโูรเจยกนามออกจากกันได้นี่เรียกว่าอเป็นปัญญาขันเดิงสามารถจะเห็นเหตุและผลของรูปเป็นนามเห็นรูปนามเป็นอนิจจังทุกขังนักตาเห็นรูปนามเกิดกับเห็นเฉพาะกำดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวเห็นรูปนามเป็นของหนักกลัวเห็นทุกเห็นโทษของรูปเป็นนาม เกิดความเบื่อหน่ายในรูปนามใจกวนกวายอยากออกอย่างนี้อยากหลุดอยากพ้นจากรูป่มในนามจิตใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงต่อไปก็วางเฉยดูความเกิดดับของรูปในนามอยู่ต่อไปก็จะเห็นรูปนามเกิดดับชัดและเห็นอริย ส, สัจสีชัด99ก้าสก้าอร์เซต์ต่อไปก็ทิ้งรูปและนามยดนิพพานเป็นอารมณ์หนึ่งขณะจิตต่อไปจึงจะถึงวิมุต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 ไฟไม้เสาเรือนโยมโยมก็เอาน้ํามาดับไฟมันก็มอดแล้วดับแล้วแต่ไออุ่นยังอยู่ขายน้ําถังที่สองโยมดับลงไปอีกเย็นเช็ดนี่แหละผลระยะเหมือนกับน้ําขันที่สองวิมุตเหมือนกับน้ําขันแรกหรือน้ําถังแรกมันก็ดับแล้วแต่ว่าไออุ่นยังอยู่เมื่อเอาน้ําถังที่สองมาเทราดมันเย็นเน่นั่งตัววิมุติยานเหมือนอย่างนั้น อ้าวนี่ได้แล้วนะได้แก่นเพิ่มขึม้นมาอีกแล้วถึงแล้วนะถึงแก่นแท้แล้วนะแต่ว่าเพื่อให้ได้ความรู้อตมาก็าเอาม า, ม, ามีแก่นอยู่แท้เนี่ยเอามาเท่าที่จะค้นดนในพระไตรปิฎกทีนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเก้าพระองค์งก็เอาปัญญาถูกต้องวิมุตตินี่แ ห, หละ like, เรียกว่ามรรคยานนี้คือตัวปัญญาแท้ๆที่ตัดกยี่ยงตัดตรงนี้ตัดตรงปัญญีสี ต, ตรงมรรคยานนี่แหละปัญญาก็ดีปัญญีสีก็ดีแล้วก็คือ ปัญญาก็ได้แก่ยานมัคขยาต น, นั่นเองถูกต้องแล้วตัวนี้หมายเอาเฉพาะอันเดียวเอายอดเลยในที่นี้หมายเอายอดอยู่พระองค์ตรัดไว้ในพระไตรปิฎกเล่มสิบเก้านี้ว่าอือเนินไม่เอาที่มันยอดแท้ๆก็คือปัญญินเซปัญญินตรียังเอาอย่างเดียวที่มันเป็นตัวยอดจริงๆหัวหน้าใหญ่จริงๆคือตัวปัญญาถ้ามีปัญญาถึงขั้นนี้แล้วก็หมายกว่าแน่นอนแล้วกิเลส ข, ขาดดูไม่ได้แล้วอือมด สำคัญตรงนี้ทีนี้พอไปถึงธรรมบทภาคหนึ่งหน้าหนึ่งร้อยหนึ่งวันทัทดที่ิจดที่แปดคำว่าสาระคือแก่นนี้ท่านแสดงไว้ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงแก่นแท้มีหกเลเนี่ยหนึ่งศีลสองสมาธิสามปัญญาสี่มมุตห้ามิมุตติ 5, ยาน 6, ัทสนะหกปรมาถสารังนิพพานหมายถึงนิพพานแน่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 พระนิพพานเป็นแก่นแ ท, ท้ปรมถาถะแค่แท้สารังเป็นแก่นนิพพานนี่เป็นแก่นแท้ของาศาสนานี่คือแก่นแท้นะวิมุตติก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าสูงที่สุดก็ท่นานอนิพพานในที่นี้หมายเอาปรมถาถสารังนิพพานนั่งอนิพพานเป็นแก่นแท้ของศาสนาอ่านี่เราก็ได้คงรู้เพิ่มขึน ถึงห้าเรียนนิยมนะห้าหมวดใหญ่ๆแล้วอ่าทีนี้ลองไปถึงปฏิสัมพิธามักที่ปไตยปิดอกเล่มที่สามสิบเอ็ดหน้าหกสิบเก้าวันทัศน์สิบเจ็ดท่านแสดงถึงว่าแก่นของศาสนาเป็นขั้นเป็นขั้นไปเรียกว่าแก่นว่าถึงแก่นของศาสนามีถึงสิบหกแก่นทีนี้ไปถึงวิสุทธิมักภาคสามหน้าสองร้อยห้าวันทัศน์สิบสามก็มีสิบหกแก่นนะ เอาละทีนี้ก็จะว่าว่าถึงแก่น16ในมันคืออะไรอันนี้ว่าถึงแก่นเล็กแก่นน้อยเหมือนเปลือกเหมือนกับพี้ของต้นไม้อันเนี้ยเมื่อกี้นี้เอาแต่แก่นแท้ๆที่ว่านิพพานหรืวอวิมนะุตต์น่ะทีนี้แตกในที่นี้หมายเอาทั้งเปลือกทั้งกับพี้ไปด้วยกันทั้งสกเก็ดหมดเราจนก็ทั่งถึงแก่นสองหมดนี่นะอะไรกันแน่เนี่ยแก่น16มันไอะไรว่าถึงแก่นล้วแก่นทำอะไร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 ถึงเราจะเรียกเขาว่าลูกอันที่จริงก็มีแต่รูป ก, กับนามนี้เป็นปรมัตาทสัจจะจริงโดยปรมัตาจริงโดยสมมุติกับปรมาดุริกันนะไม่ไม่ได้แยกกัลหอกแต่แยกตัวสภาวะเท่านั้นเหมือนอย่างดอกไม้ดอกข า, ขาวๆเนี่ยที่โยมโมบูชาพระถ้าเอ า, เ ข, าขาวๆน่ะเป็นปรมาจ์เอาเฉพาะกลิ่นนั่นนะนั่นเละเอเอาดอกข า, ขาวๆเราเป็นบัญญัติแต่ว่ากลิ่นหอมนั่นแหละกลิ่นนั่นแหละเป็นปรมาจ์นะ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 อย่างนี้เขาเรียกว่ารูปเป็นเหตุนามเป็นผลที่นี้บางครั้งใจค่อยจักจะกําหนดท้องจะน่นขึ้นอย่างนี้นามมาก่อนเรียกว่านามเป็นเหตุรูปเป็นผลเนี่ยทุกคนทุกวันทุกคืนมันมีรูปมีนามมีเหตุมีผลอยู่เราอยากจะไปทํางานใจที่อยากจะไปทํางานนี้เป็นตัวเหตุตัวเขาก็ลุกขึ้นไปขี่รถขับรถไปทําการทํางานนี่เป็นผลแล้วอยากจะทานข้าวนี่นามเป็นเหตุ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 ผูที่ได้พิจารณาเห็นแล้วกับผู้ไม่เห็นต่างกาันาทีนี้ต่อไปถึงขั้นที่สามขั้นที่สามนี่เป็นแก่นทำขั้นที่สามเรียกว่าสัมมสนญญาแก่นขั้นนี้พิจารณาสังขารร่างกายรูปนามที่เห็นมาแล้วเมื่อกี้นี้ให้มันเป็นอนิจจังทุกขังนักตาการพิจารณาขั้นนี้แบ่งเป็นหมวดหมวดกลาปะนึกถึงร่างกายทั้งหมดว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังนักตา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 ร้อนหายไฟเย็นเกิดขึ้นเมื่อเช้าเนี่ยอากาศร้อนเดี๋ยวนี้เย็นอะอย่างนี้แหละมันเปลี่ยนกันไปยุเมื่อเช้าเนี่จิตใจก็เป็นหนึ่งเดี๋ยวนี้ก็เป็นอย่างนึ่เนืน่ถึงความสืกต่อและมันเปลี่ยนแปลงไปของดินฝ้อากาศของสังขาขร่างกายของมนุษย์ดำเทียบนอกเข้ามหาในเทียบในออกไปหานอกอย่างนี้ก็ใช่เป็นลักษณะของแก่งทำเหมือนกันนอกจากนี้พิจารณาทุกขณะลมหายใจเข้าออก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 นรกนัก่งไปเห็นสวรรค์อะไรต่างๆคิดมันสร้างขึ้นมานี่อยู่ในกิมตายาหลงทางตรงนี้อันนี้แก่นนี่แก่นก็เป็นแก่นแท้แต่ว่าแท้ไม่จริงมันเป็นแกนที่สามแก่นธรรมในาศาสนาอันนี้มันยังเป็นเปลือกยังเป็นกะพี้ยังไม่ไปเป็นแก่นแต่เราก็เรียกว่าแก่นเพราะมันดีกว่าธรรมดาแต่ว่ายังไม่แท้ยังอยู่ในเปลือกในกะพี้พอถึงขั้นที่สี่นี่แกนที่สี่แกันทรรมละ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 ปัจจุบันดีเขาก็จะขาดวบให้เราเห็นเลยนี่แหละเรียกว่าเริ่มเข้าแล้วนะเริ่มเข้าเขตแฉะ แ, แล้วในมาห้าสิบเอร์เซ็นแล้วแต่ยังไม่แท้ที่สุดมันยังมีแท้ในแท้ต่อไปอีกนะเดียวว่าใสาในใส่เพิยงที่พระทันเทศนี่มันเลยว่าแท้ในแท้ยังมีต่อไปอีกอันนี้เรียกว่าเข้าเขตแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นตนะมัน ก, ก่อนน้นได้สิห้าเอร์็นก่อนน้นได้สมเปรซก่อนน้นได้หนึ่งเปอร์เซ็ถึงตรงนี้มันได้ห้าสิบเปอร์เซ็นตแล้วด่วนนะ่นะ มันต้องอาเทาะเรือเอาเ า, อากับที่ออกไปแล้วเมื่อถึงตรงนี้สําคัญมากพราะพุทธเจ้าตนตรัสไว้ว่าถ้าผู้ใดเห็นอย่างนี้นะตายเสียในวันนี้ดีกว่าคนไม่เห็นเป็นอยู่ตั้งร้อยปีมีพระบาลีว่าโยจะวัตสัตตังชีเวะอภัสสังอุทธยัป พ, พยังเอกหังชีวิตตังสยปัสสตูอุทธยัป พ, พยังจิงยูผู้ใดเห็นรูปหินน้ำเกิดดับอย่างนี้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 นี่ก็เป็นแจนที่เกิดต่อไปอีกถึงแจนที่แปดมิพิทาญาคิดก็จะเบื่อแต่ก่อนในหิวสึกว่าอยากจะไม่เกิดเป็นมนุษย์ออกจากจะไปสวรรค์หรือบางทีเขาเป็นคนธรรมดาก็ไม่ค่อยดีอยากจะยศถาบรศักดิ์อยากจะเป็นคนยิง่งคนนายอยากจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้า ค, คุณกจะได้ยศถาบรศักดิ์เป็นในคนในพันธุ์กันคิดบังก็คิดแต่ก่อนแต่กำมาถึงอย่างนี้เราเป็นอะไรก็ตามเถิดนั้นก็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 เมื่อเห็นว่าไม่ดีเห็นว่าเป็นทุกข์เป็นโทษเห็นว่าอ่าเป็นของไม่หน่าเอาและจิตใจมันคือจึงจะเบื่อที่เห็นว่าเป็นตัวตนเราเขามากก็จึงจะถอนไปในตัวสักราระทิฏฐิตาไปอีไปถึงแก่นที่ก้างจิตใจก็กระวนกระวายในเห็นมีอะไรดีนายก็อยากออกอยากหนีอยากหลุดอยากพ้นเมื่อไรยิ่งจึงอยากพ้นจากรูกจากนามจากขันนานีเสียทีเนาะแต่จะทําอะไรก็ไม่ได้ พดลุกพดนั่งก็วนก็วายใจขั้นในร่างกายแต่ก็ยังปฏิบัติอยู่นี่เป็นแก่นขั้นที่ห้าเก้าต่อไปถึงแก่นขั้นที่สิบเมื่อถึงแก่นนี้จะรู้สึกว่าเข้มแข็งมีอาการเหมือนเข็มแทงเจ็บแผลแผ ล, แลทั้งน้นทั้งนี่หนักตั้งใจจริงสู้ตายเลยเมื่อถึงตรงนี้มุ่งมั่นที่จะปฏิบัติให้ได้ที่จะให้ได้ผลไม่ยอมท้อถอยแล้ว ต่อไปอีกจะถึงแก่นที่สิบเอ็ดเรียกว่าแก่นธรรมถึงแก่นนี้ใจสบายระความดีใจความเสียใจความเบื่อใจไม่ฟุ้งซ่านไม่ราําคาญไปเรียบเรียบ น, นั่งเพลินเวทนาไม่กวนอุปมาเหมือนรถวิ่งในถนนดีๆหรือเครื่องบินที่ไปเรียบไม่มีมลสมเข้ามาเลยนั่นแหละเหมือนกับมันอยู่ลอยอยู่บนฟ้าเฉยๆหรือเหมือนกับอยู่เฉย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 ทุกสมุดัทยรอดมักพร้อมกันเหมือนดับไฟดับเทียนนะเทียนที่เราจุดไว้เนี่ยหนึ่งส้สองขี้พึ้งสามแสงสว่างสี่มืดสี่อันนี้พร้อมกันชั้นใดก็ดีอริยศสัตว์สีทำหน้ า, นาที่พร้อมกันนี่คือสัจจาโนโรมิกยานนี่เป็นแกนที่สิบสองเมื่อถึงแกนนี้ปฏิรับชัดร้อยเปอร์เซ็นอริยสัตว์เก้าสบเก้าเปอร์เ็นต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 ขาหนึ่งอยู่นอกบ้านขาหนึ่งอยู่ในบ้านเจะบอกว่าอยู่ในบ้านก็ไม่ใช่อยู่นอกบ้านก็ไม่เชิงเขาบอกว่าอ้าวแม่อยู่ในบ้านอะอีกขาแม่ขาหนึ่งอยู่นอกถ้าบอกแม่อยู่นอกบ้านอีกขาแม่หนึ่งอยู่ในบ้านเนี่ยเหมือนอย่างนั้นแต่เป็นพระเนรอยู่ในโบสถ์อ้าวขาหนึ่งอยู่ในโบสขาหนึ่งอยู่นอกโบสเ์จะว่าอยู่ในโบสก็ไม่เชิงเจ้าอยู่นอกโบสถก็ไม่ใช่ท่านจึงเรียกว่าโคตรประภูยานนี่ถึงแก่นแล้วจวนนี้จวนแก่นแท้แล้วนะเก้าจุดเก้าจุดเก้าแล้ว พอถึงยาณที่สิบสี่มักขยานตรงนี้เรียกว่าแก่นแท้ในทีนี้ร้อยเปอร์เซ็นแล้วฮิเลตมันขาดตรงนี้โลภะโทสมหะตายไปตรงนี้จึงได้ชื่อว่าแก่นแท้ของภาะสาทชนาแท้หมายความไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วเพราะคําว่าแท้นี่ยมันแปลว่าเนื้อแท้มันแปลว่าไม่เหลวไหลมันแปลว่าแข็งแกร่งแปลว่าทนทานแปลว่ามั่นคงแปลว่าเทาวรเป็นหลักเป็นประธานไม่มีวันที่จะกลับมาอีกแล้วขาดเด็ดไปเลยจึงชื่อว่าแท้ จะมาให้เป็นใหม่ไปอีกไม่ได้แล้วขาดก็าขาดไปเลยแหละนี่คือแก่นแท้ของพระศาสนาในแก่มรรคขยานคือยานที่สิบสี่และก็มีนิพพานเป็นอารมณ์ต่อจากนั้นก็เป็นยานที่สิบห้าผลรยานมีนิพพานเป็นอารมณ์สองขันธจิตหรือสามขันธต่อจากนั้นปัจจเวขันธยานย้อนกลับไปพิจารณากิริสที่ละที่เหลือนี้แหละวิมุตติรสพระ ศ, ศาสนามีวิมุตติคือความหลุดพ้นเป็นแก่น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 มีพัทธมขันอยู่แปดหมืนสี่พันพัรธมขันเมื่อจะย่อให้สั้นๆก็ได้สามได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่อให้สั้นที่สุดมีหนึ่งได้แก่ ค, ความไม่ประมาทนี้เป็นแก่นแท้ในแนวปริยัติยังไม่ใช่ปฏิบัติส่วนแก่นแท้ในแนวปฏิบัติมีสามอย่างย่อไปได้แกปัจจุบันรูปนามปัจรักมรรคนิพพานอย่างกลางก็ยิสุทธิเกศอย่างพิสดารก็ยานสิบหกแเมื่อย่อที่สุดแก่นแท้มีหึ คือวิมุตต์ใส่เกิดพิสดารก่อ ม, มีก้าโลกุตระทำก้ามรซีพผลสินิพันธ์อันนี้เรียกว่าแก่นแท้ของพระศาสนานะแต่จะเอาอยางเดียวกว่าวิมุตต์เอาอย่างเดียวกับนิบพันธ์อันเดียวกันนั่นแหละถึงวิมุตต์ก่อนิพันธ์นั่นเลยมิมุตต์ก็ต้องมีนิพันธ์เป็นหลงเพราะนั้นตอบนิบพันธ์สุดท้ายเลยก็ถูกต้องในบาลีท่านกล่าวไว้ปรมัดภาษาลังนิพันธ์จังจะนิพันธ์เป็นแก่นแท้ก็ถูกต้องไม่ผิด ทำให้ถึงนิมมติก็ถึงนิพพานไม่ได้ในวิมุติก็ต้องมีนิพพานจึงจะถึงวิมุติได้แต่สดหมายปลายทางแท้ๆต้องการนิพพานเป็นยอดปรารถนาทัานช้าตุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเทศปุทธเทศกันนี้เทศเดียวต้องการยาที่บายทั้งแก่นแท้ของาศาสนาเพราะวันนั้นเทศที่ทำลานศพบรรทัดทในงานมหาเจริญกรเวลาน้อยไปเทศปุตช้าวิจนาก้อไม่ค่อยได้เข้าแก่นแท้นะอ่าเป็น เวลาไม่ใคยให้ก็เลยถือโอกาสมาบรรยายที่นี่ซะเลยเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังแก่นแท้ของภระาศาสนาเทวดาธรตมาจะนำมาบรรยายได้เพื่อให้ญาติโยมได้คงรู้คงเข้าใจหลายแงย่หลายมุมจึงยกหลักฐานในปฏิไติตกอัตกรถาและกะดีกาพร้อมตัางอัตฐาธิบายมาขยายความให้ญาติโยมได้สดับรับฟังเป็นการประกอบขมูข้อนับว่าสมควรแต่การเวลาแล้วก็จะสรุปความอีกครั้งหนึ่งแก่นแท้ในที่นี้ ว่าถึงในหลักฐานหมายเอาสัมมาทิฏฐิมีวัตถุสิบจะเห็นว่าให้ทานทำบุญนำทานมีพรสัตวงทลายมีกรรมเลี้ของตัวทำดีดีดทำ ช, ชั่ริีชโลกนี้โลกหน้ามีประคุณของพ่อของแม่มีธิวดามีผู้ประพฤติ ด, ดีปฏิบัติชอบมีอันนี้ก็เป็นแก่นเหมือนกันแม้พระทิันเทศเข้ากันเป็นอุปนิสัยปัจจัยแกการ สัมมาทิฏฐิสิพอนี้ส่งเสริมให้คนตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิก็เชื่อว่าเป็นแก่นแท้ในส่วนเบื้องต้นเพราะคนเราจะได้แก่นแท้ก็ต้องมีความคิดความเห็นที่ถูกต้องเรียกว่ามีความดําริเป็นโคจรดาริถูกจึงจะพบแก่นแท้ดําริผิดไม่พบเลยอันจ้าตุชนผู้ใจวุญทลายอัตมาภาพได้แสดงพระธรรมเทศนาเรื่องแก่นแท้ของพระศาสนามาให้ท่านได้สดับครับฟังกันนับสมควรแก่การเวลาแล้ว ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณบสีรัตนไตรอติไสบุญยเขตและบุญ ก, กุศลที่ตันสาตุชนได้บำเพ็นมาในระหว่างพรรษานี้ก็ข อ, ขอจงมาเป็นตบะเดชะปกป้องราาักษาให้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโครคให้เจริญหนุย่ยอาบยศอายุวันะ ส, สุขขัพพละปฏะทิพานธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิสมีดวงกิตถิตมั่นอยู่ในทานสิ้นภาวนา นำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขกันไปบูนกล่าวคือมาพ้นรนรกพาด้วยกันทุกท่านเทิน